เราจะต้องทำตอนที่ร่างกายเรายังแข็งแรงเนยตอนนี้แหละส่วนใหญ่เรามักจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดด้วยหลงผิดด้วยหลายอย่างที่เราเข้าใจผิดเช่นคำว่าบุญเงี้ย พอทำบุญเสร็จกรวดน้ำวันนั้นไปที่สำคัญที่หนึ่งอย่าไม่ไมไมเอ่ยชื่อที่ไหนไยเดี๋ยวจะเสียหายเขาเผื่อเขายังทำใจไม่ได้ถึงก็ทำบุญเสร็จได้เวลาจะกรวดน้ำเราก็ว่าเ อ, อย่าเพิ่งให้กรวดเฉยๆเลยเว้พูดเฉยหน่อย นิสัยถ้าว่ามันไม่ไพูดแล้วมันอดไม่ได้เนาะฮะ <laughs> อย่าออกชื่อเขา <laughs> เป็นองค์กรใหญ่สำคัญนะคือคนคนเขาบริจาคเอาวัยาวะเนี่ย <laughs> แล้วเขาก็ตาย <laughs> เยอะมาก <laughs> เขาตั้งใจที่จะบริจาคเอไ ว, ว้อย่างโยมบริจาคตับอย่างเงี้ย <laughs> เขาไม่ได้เอาออกตอนโยมตายแล้วนะ <laughs> กำลังจะตาย แล้วเขาก็เอาเอาไว้เอาตับโยมออกมาแล้วก็ให้โยมตายเนมันหลายเยอะมากแล้วก็ทําบุญในเสร็จได้ไหมเขาจะอุทิศให้คนเหล่านั้นอะให้เจ้าของอวัยวะเราก็ว่าเออกําลังจะอุทิศบุญกันแล้วนะรู้สึกไหมว่าการอุทิศบุญการนี้มันใหญ่มากเรามีบุญกันยังที่จะอุทิศอ่ะ เรามีบุญยัง <Yeah. S 1> ถามกันอย่างนี้แล้วว่าเรามีบุญกันยัง mm hmm. ที่จะอุธิได้ขอาว่า mm hmm. ไอคนเหล่านี้มันดีมากเลยนะมันตั้งใจบริจัเอวัยวะตับไตอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราเห็นเขาดีมากเลยเราตั้งใ จ, จอุธิให้บุญให้ขอเนี่ยที่มานั่งกันแต่เช้าเนี่ยเรามีบุญยังถามอืมเหรอ ถ้าเราจะให้เงินเขาสักร้อยบาทเราจะต้องมีเงินอยู่ในกระเป๋าหนึ่งร้อบาทนะถ้าเปรียบเทียบบุญเป็นหนึ่งรอยบาทตอนนี้เรามีบุญนั้นอยู่ในกระเป๋ายัางส่วนมากอ่ะมันก็แค่ทำทำทำทำกันนะบุญที่เกิดจากการไหว้พระยังไม่รู้เลย ว่ามันได้บุญตรงไหนอา้าพอพระว่าปาณาติปาตาเวรัมณีบุญที่เกิดจากการสมาทานศีลยังไม่รู้เลยนะว่ามันได้บุญตรงไหนพอพระทวมัม น, น ต, ต์นะโบตระอาเทวนาเจปาลานังควังพระทวับมนยังไม่รู้เลยว่าได้บุญตรงไหนคือนั่งนิ่งนิ่งรอไปจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่ากรวดน้าก็กรวดน้ำํำที่นี่ก็เหมือนกันแหละมันหาฉันทะ ความพอใจทุกขณะที่ตัวเองคํานั้นไม่มีเข้าใจไหมชันทะตัวนั้นมันไม่มีความเช่มชื่นที่ปรากฏขึ้นในใจมันไม่ใช่ความเช่มชื่นที่เกิดขึ้นมาแล้วมานั่งโมยคน น, นู้นคนนี้ฟังไม่ใช่มันเป็นความเช่มชื่นที่ปรากฏขึ้นในใจเป็นดังคุณค่าที่เกิดขึ้นที่เราเท่านั้นที่รู้อันนั้นน่ะมันเป็นพลังของบุญที่เกิดขึ้นจากการไหว้พระ ตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุโทโธพระเขาว่าเราจะรู้สึกอบอุ่นเช่มชื่นในหัวใจของเราในการได้เอ่ยถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่มีที่จะไปแล้วก็มารวมรวมรว ม, รวมกันนะ <c oughs> ไม่ใช่มันต้องเป็นความเช่มชื่นที่ปรากฏจากฉันทะที่เกิดขึ้นอยู่ข้างในโอ้พูดเยอะวะนั่นนะเฮ้ยไอ้เพื่อนนั่นเอ้าแย่แล้วทำทไถ้าอย่างนี้ แล้วมันทำผ่านไปแล้วทำยังไงดีจะกลับย้อนอเหมือนกับให้ย้อนรีเอ็กรีรีไปใหม่แล้วไปรีเพย์ไปใหม่ให้กลับไปเริ่มต้นใหม่กลับไปเริ่มต้นจากอารหังจำมาจำพุทโธพระกวากลับมาจากมายังพันเตราตนาศีลแล้วก็กลับมาควังพระถวดบนใหม่ใครจะถวดให้มึงควงังอ้า เพราะอะไรเพราะพอพูดแล้วมันรู้สึกว่าโอยเราไม่มีจริงเว้ยไอ้บุญในส่วนที่เปรียบเสมือนกับแบงร้อยอยู่ในกระเป๋าที่จะบริจาคไปเนี่ยมันไม่มีจริงๆอ่ะอเพราะตอนที่เขาอาระรหังสัมมาสัมพุทโตพระ ก, ก็พยายามแตสวดได้ว่าได้ไงพยายามที่จะเปล่งเสียงให้มันดังๆๆไปอย่างนั้นน่ะแต่ใจตัวเองอ่ะมารู้ว่ามันไม่ได้มีฉันทะต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นหนึ่งจริงๆในขณะนั้นน่ะ ขอกลับไปอีกทีได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันถวายกันหมดแล้วมันจะกรวดน้ำแล้ว อ, อ๋อเราก็บอกว่าตอนสวดมนต์พระสวดมนต์มีบุญตรงไหนมีบุญตรงที่ว่าวางจิตให้นิ่งตั้งสติให้พร้อมพอพระว่าอะเชวานา จิตจะต้องระลึกตามอ่ะซีวันระลึกตามไม่ได้มากที่สุดทุกคําที่พระสวดตั้งแต่ต้นจนจบระลึกได้มากเท่าใดได้เท่านั้นมันตอนนั้นมันทําไงมันไม่ได้ระลึกนั่งนั่งเผอเผอมันตึกตึ๊กตึ๊กตึกอย่างก็ดึงมาตึกตึ๊ตึกตึ๊มันอยากแต่แต่ไอคนพวกนั้นมันสวะสละอวัยวะอยากให้บุญได้ถึงเขารู้แล้วตอนนี้ตัวเองไม่มี อยากให้เขาได้บุญอ่ะอยากจะมีบุญนั้นอ่ะถอยกลับไปได้ไหมเ็มกจะถอยกลับไปได้ไั้มไม่ได้งั้นเรามาักจะหลงผิดพราะเราเห็นกันคุณมากไง เห็นตําบุญเห็นศินศีลเป็นเรื่องของอะไระนะศีลเป็นเรื่องของอะไรศีลเป็นเรื่องของสัจจะไหวพระเป็นเรื่องของศรัทธาถ้าไม่ศรัทธาแล้วไม่ได้หรอกบุญน่ะบุญมันไม่มีใครไปจดไว้ให้เราหรอกอืถ้าเราไม่มีฉันทะในการกราบไหว้พระห่อ น, แ ห, นแห่งแห่งบุญจะไม่งอกที่ใจของเรา ไม่มีใครไปโจทย์ไว้ให้หรอกอย่าไปหวังแล้วบาปอ่ะห่อนแห้งห่อนแง่แงของบาปมันก็งอกอยู่ที่ใจของเราไอ้บาปนี่นะมันยิ่งกว่าฉันทะเพราะอะไร เพราะเวลาทามันตั้งใจมากจริงว่าโอ้โหจะผิดศีลแต่ละข้อเนี่ยตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้จะผิดศีลแต่ละข้อเป็นไงโอ้โหจะข้อที่หนึ่งจะฆ่ามาแรงสามสักตัวหนึ่งเนี่ยโอ้ยทั้งรองเท้าทั้งไม้กวาด ทุบแล้วทุบอีกเขี่ยงแล้วเขี่ยงอีกดีเม่ดีหนังสติกยิงก็ไปอีกโอ้ยแล้วมันยังหลบตรงโน้นอีกเฮ้ยมั น, มนตีมันจนตายแล้วไม่รู้มันไปหลบอยู่ตรงไหนต้องรื้อออกมาเดี๋ยวมดขึ้นก็ต้องรือ้อรือเหือไ ห, หลคล้อย ย, อย้อยความตั้งใจเป็นไงโอ้ฮ้อนแงงแงแงบาปงอกขึ้นที่จิตแน่นอนเด้ จิตเตนนิยติโลโก โ, โลกมีจิตเป็นตัวนําถ้าจิตมีงอนแง่งแง่งบาปเยอะมันก็จะกําหนดทิศทางชีวิตของเราไปไง่ายไม่ดีแน่นอนนี่เป็นสัจจะเอาที่นี้บุญมันก็ทุกมีอย่างเงี้ยปุ ญ, ญญเจปุริโสกริยากริยาเทหนังปุณณปุนังตัมหิันทังกริยาทะสุขโผุ ญ, ญสัอุจโยพระเจ้าว่าบุญนี้ต้องทําและต้องทําบ่อยๆ ตามีฉันทะทางกริยทะต้องทําความพอใจต้องมีฉันทะในบุญที่ตนทำถ้าไม่มีฉันทะในบุญที่ตนทำการสะสมบุญไม่เกิดไม่มีฉันทะในบุญที่ตัวเองทำการสะสมบุญไม่เกิดถ้าการสะสมบุญไม่เกิดสุขขสโขปุญญัตสาวุจโยจะมีขึ้นไม่ได้ที่ว่าการสะสะมบุญนําสุขมาง่ายการสะสะมบุญนําสุขบุญยิ่งทำยิ่งสะอาด บุญยิ่งทายิ่งสะอาดอะไรสะอาดใ จ, ใจสะอาดใจยิ่งสะอาดยิ่งสะอาดใจนั้นก็จะยิ่งสงบและมีความสุขพื้นใจที่เป็นบุญจะนำพาชีวิตของผู้นั้นไปสู่สุขคติคือเส้นทางชีวิตของผู้นั้นจะดีขึ้นเส้นทางชีวิตของคนที่มีบุญจะดีขึ้น เพราะฉะนั้นทําบุญกรวดน้ําอ่ะอย่าสักแต่ว่าทำบางทีเราจะมาไปแต่ว่าเขาพาเพราะนี่บุญไปทำบุญเสียดายตังงานหนึ่งหลายหมื่นเนาะบางงานทําบุญที่บ้านทีเงินพันหนึ่งไม่ไม่ได้นะได้ไหมไม่ได้หรอกโอ้ยหลายบาทหลายเงินนะรู้ว่าเราตั้งใจทําอ่ะแต่การทําของเราเขาเรียกว่าทําไม่ถึงบุญ เรามองเพียงแค่ว่าโอ้ยตอเตรียมของเยอะๆของอร่อยอร่อยของแพงๆ แ, แล้วเราก็จะได้บุญเรามองแค่นั้น่ะเราไม่มองฉันทะไม่มองฉันทะเลยมันพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าจตรัสรู้ลองดูที่ต้นทุนในการตรัสรู้ของพระพเจ้ามีอะไรที่มีค่ามั้งไหมเพชรแหวนเงิ น, นทองอาหารขล้หาหวานรอบตัวมีไหมไม่มี พระเจ้านั่งโดดเดี่ยวอยู่ที่ใต้ต้นโพแล้วมองลงไปที่ใจของพระองค์เองเท่านั้นอยู่ในนั้นทั้งหมดและไอ้ที่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นมันก็อยู่ในใจเราด้วยเราจะต้องเข้าถึงในสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีการที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงคำว่าบุญบุญนั้นจะต้องเป็นความหมายของบุญในพุทธศาสนา ทานก็ต้องเป็นทานในพุทธศาสนาศีลก็ต้องเป็นศีลอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นข้อรับรองที่พระพุทธเจ้าได้พบแล้วได้นํามาสอนเราเพราะฉะนั้นเรื่องการไหว้พระเป็นเรื่องของศรัทธาเรื่องศีลเป็นเรื่องของสัจจะศีลหานี่เป็นเรื่องของสัจจะศีลพระนี่เป็นเรื่องของฮีริโอตาปะพระท้าไม่มีฮีริโอตาปะสักข้อก็รักษาไม่ได้อืม ศีลของพระต้องอิทธิอตตปะศีลของโยมเนี่ยมันต้องสัจจะสัจจะคือความเข้มข้นของใจที่จะปักไปด้วยความปฏติญญาว่าเราจะหดเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นอย่างเด็ดขาดเลยตอกย้าเข้าไปที่จิตของเราเนี่ยสัจจะอย่างเงี้ยลึกๆเข้าไปจนจิตมันสัมผัสได้ อันนี้เพราะว่าปลานาที่ปลาแข่งกันท่อง อ, ะ <c oughs> อ่ะไงนี่ยังไม่ถึงไม่ได้ไม่ได้อยู่นนี่เลยามพัก น, นั่นเนี่ยยามพักอ เ, เออเราเมาื่อกีะกรรมก็เข้าใจผิดเข้าใจผิดเรื่องอื่นไม่ว่าแต่เข้าใจผิดเรื่องกรรมน่ารุ่งสารมากแต่จริงๆเรื่องนี้ไม่ก็อยากจะพูดเท่าไหร่ กรรมเราเข้าใจเรื่องกรรมว่าไงหอนั่นแหละตอบว่าการกระทําตอบว่าอย่างก็ตอ บ, ต, อ บ, ต, อบตามปริยัติเป๊ะแต่ความรู้สึกในใจที่มีต่อกรรมเป็นไงโอ้โหอลังการถ้าเป็นบุญกรรมนี่นะเป็นกุศลกรรมความรู้สึกในใจนี้อัลังการมหาศาลเลยอลังการหานสร้างรู้ไหม ว่าเราจะต้องรู้เรื่องกรรมนี่รู้อย่างไรบ้างความรู้ในเรื่องของกรรมต้องรู้อย่างไรมั่งรู้ว่ารู้ว่าอะไรคือกรรมรู้ว่าอะไรกรรมเกิดจากอะไรรู้ว่ากรรมมันมีความต่างหลากหลายเป็นอย่างไรรู้ว่ากรรมมันให้ผลอย่างไงรู้ไหม รู้ว่ากรรมมันดับยังไงรู้ว่าทำอย่างไรให้กรรมมันดับรู้เปล่าล่ะไม่เคยรู้ <c oughs> ไม่เคยรู้ใช่ไหมเออนั่นแหละเวลาคุยว่ากรรมก็ไดกตอบมาได้คำนะเจตนาหั่งพิกเวกัมมังวทามิอันนี้พวกปริยัตและเอาประโยคเดียวฮนะประโยคต่อจากนั้นหกเจ็ดประโยคเยอะแยะไม่เอา พระาว่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่รู้ว่าอะไรคือกรรมอะไรเป็นแดนเกิดของกรรมอะไรเป็นความต่างของกรรมอะไรเป็นผลของกรรมอะไรเป็นความดับของกรรมอะไรเป็นทางให้ถึงความดับของกรรมผู้นี้ชื่อว่ารู้ในพรหมจักรผู้นี้ชื่อว่ารู้ในทางที่จะชำแรกเรียวว่นนิเพที่กะ รู้ในทางที่จะชำแรกกิเลสออกไปจากใจรู้ในทางที่จะสำรอกราอสาวะออกไปกิเลสอาสวะทั้งหลายที่มันพกพูนอยู่ที่จิตเราเนี่ยการรู้หรือแค่รู้เรื่องกรรมเรื่องเดียวนะการรู้เรื่องกรรมจบกระบวนการอย่างนี้เหมือนกับการกรเทะเจาะเข้าไปในกองแห่งอาสวะและให้สารอกออกมาไม่ใช่ธรรมดาเลย แต่เราเราไม่รู้หรอกเราเราไม่รู้ใช่ไหมเราสมมตว่ากรมกรกรมดีโอโนนหลับตาถ้าทําถ้าทํากรรมดีนั้นเราเรืสภาพกรรมดีใช่ไหมนางฟ้าสวรรค์ชันนั้นสวรรค์ฉันนี้สวรรค์ชันโน้นเออเป็นอยู่นั่นแหละแต่มันไม่ใช่เรื่องผิดนะไอ้พูดเนี่ไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันไม่ลึกมันไม่กว้างพอไม่กว้างพอที่จะทําให้ใจของเราเนี่ยยินดีอยู่ในกุศล รังเกียจในอกุศลจิต ท, ที่รู้ในเรื่องของกรรมที่กว้างลึกพอแล้วมันจะยินดีในกุศลจะรังเกียจในอกุศลเมื่อคราใดที่อกุศลเกิดขึ้นในใจมันรังเกียจเนี่ยถ้าเรารู้ลึกรู้กว้างในเรื่องของกรรมร อ, อกุศ ล, ลกรรมมันเกิดขึ้นในใจยังไม่ได้ทําเลยนะเช่นเดินเดิ น, เ ด, นเดินไปมันเห็นของผู้อื่นแล้วมันอยากได้ พออยากได้เลยมันนึกว่าทํำยังไงถึงอยากได้อยากได้ของผู้อื่นโดยที่ไม่ใช่มาเป็นของตนเนี่ยมันเป็นอกุศนลกรรมที่เกิดขึ้นภายใน ใ, นใจของเราเกิดขึ้นปับ๊บมันจะเกิดความรู้สึกในรังเกียจในอกุสลที่เกิดขึ้นนั้นแหะเนี่ยคือพวกนี้พวกที่รู้เรื่องกรรมอย่างลึกรู้กว้างแล้วเดี๋ยว น, นี้เกิดง่ายขึ้นเยอะนะเดี๋ยวนี้โอ้โอาญากรรมเยอะมากแปลกแปลกแผงแผลง วิธีการทุจริตครบชั <c oughs> ้นเยอะมากเลยมีวิธีการแปลกๆเนี่ยเรื่องของกรรมกรรมังกรรมังพิกาเวเวทิตาปาเจตนาหังนพิกาเวกรรมมังวดามิพระเจ้าว่าพิกษุกทั้งหลายคําว่ากรรมนั้นเป็นเรื่องที่เธอจะต้องทราบ เรากล่าวว่าเจตนาคือกรรมทุกคนรู้หมดว่ากรรมที่แท้จริงคือเจตนาใช่ไหมและอะไรเป็นแดนเกิดของกรรมกรรมมานังนิทานะสัมภวอะไรเป็นแดนเกิดของกรรมฮะใกล้เคียงนะ ถามวัวลำโพงตอบสามเส้นก็ใช้ได้อะไรเป็นแดนเกิดของกรรมพอพูดถึงแดนเกิดของกรรมผัสสะอ้าวคิดผัสสะนี่แหละคือที่เกิดของกรรมผัสสะคืออะไรมัง้งะ อ้าโอ้โหเนี่เก่งมากจักขุสัมผัสโสตสัมผัสขานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายยสัมผัสมาดูสัมผันะ ส, ผ ส, ผ ส, ผสผคือการเห็นการได้ยินการได้ลิ้มรสการได้ดมกลิน่นและการได้สัมผัสการได้หน่วงนึกสัมผัสเหล่านี้พอสัมผัสครบกระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดกรรมขึ้นมา เพราะอะไรเพราะจิตเดิมเรามันเป็นอวิชชาอยู่แล้วใช่ไหมเออมันโง่ อ, งอยู่แล้วมันไหลมันวิ่งจะไหลไปหาสิ่งที่มันชอบอยู่แล้วพอมาเกิดการสัมผัสปับ๊บมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นได้ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจถ้าถูกใจมันก็ปรุงต่อไม่ถูกใจมันก็ปรุงต่อไม่ได้หยุดเลยเพราะฉะนั้นภาษาจึงเป็นแดนเกิดของกรรมเอา้าแล้วจะดับภาษะ ไอ้จะดับกรรมดับที่ไหนโอ้เก่งขึ้นมาเชียว <c oughs> ดับกรรมจึงต้องดับที่ผัดสะและอะไรเป็นตัวที่จะทำให้ถึงการดับการตัดกรรมการดับกรรมอะไรโอ้โ ห, โหนี่มามาแบบมาแบบโอ้โ กรรมทุดิ น, น, นกรรมบทุบดินตอบแบบไม่ให้ผิดคือกรรมบัทุดินอะไรเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการถึงการดับของกรรมได้เอาที่พระพุทธเจ้ า, าเอาออนุมโมทนาคำตอบนี้เก่งเว้ตรงเป๊ะเลยกับที่พระพุทธเจ้าพูดไว้ พระพุทธเจ้าว่าอายะเบวอาริโยโ อ, อัตทั้งคิโกมัคโคมัคทั้งแปดนี้แหละเป็นทางอันประเสริฐที่จะทำให้ถึงซึ่งกรร ม, มะนิโรธปฏิปทาให้ก็เป็นปฏิปทาที่จะทำให้ถึงการดับของกรรมอ่าทีนี้เราถามต่ อ, อกไอ้มัคมีองแปดนี่อยู่อยู่มันตั้งแปดข้อปฏิบัติยากอะทำไงทีเนี่ยอะ เออนี่นี่ น, น, น, นก็คือการเจริญสติให้กำลังของสติที่เราเจะเริญนอยู่อย่างเมื่อตะ ก, กี้เนียกำลังของสติเจริญขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นจนกระทั่งเกิดการมีกำลังเหนือจากอากุศลเหล่านั้นเมื่อสิ่งใดมากระทบปับ๊บอาที่ภาษาใช่ไหมสติ กั้นกระแสการกระทบเหล่านั้นได้จิตไม่ไหลไปกับไม่เหลไปกับการปรุงแต่งเป็นมัตนะรการของจิตที่จะใช้สติในการพิจารณาตรงนั้นก็หยุดการหยุดการสร้างกรรมตรงนั้นได้เราะนั้น hmm. ต้องเจริญสติเมื่อสติตัวนี้มีความแข็งแรงพัฒนาขึ้นไป จนเป็นสติของโสตาโสตาคือโสตาคือโสดาบันเหโสตาคือเข้าถึงกระแสกระแสก็คือโสดาบันนั่นแหละเมื่อสติตัวนี้เข้าไปถึงขนาดของโสตาเรียกว่าโสดาปติมอา เข้าไปถึงกระแสนั่นแล้วอกุศลทุกอย่างหยุดหมดโดยจิตหลือแต่กุศลแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการเจริญสติรู้ลมหายใจเป็นกายสติระลึกในกายเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นการปฏิบัติเข้าไปสู่กรรมมโรคทั้งนั้นนั่นเรื่องของกรรมแต่เราควรพุทธส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องอย่างนี้ ใช่ไหมจริงป่าว เ, เราไม่ก็ได้คุยกันเรื่องนี้พอพูดถึงเรื่องของกรรมแล้วเราก็หลับตานน่นนะจาตุมมาราชิกาเทวสัตตมนุษชาวีุงเรื่องโน้นถ้าเรื่องกรรมกรรมดีนะพอเรื่องกรรมชั่วเราก็หลับตาแล้วก็ลงไปเห็นนน่นนะอ้ากรรมมีความต่างไหมฮะกรรมมีความต่างไหมมีความต่างของกรรมเป็นยังไง กรรมบางอย่างนิระยะเวทนิยังกรรมบางอย่างทำให้สวยในนรกกรรมบางอย่างทำให้สวยสภาพของความเป็นดิเรชนกรรมบางอย่างทำให้สวยสภาพของมนุษย์เปรตอสุรกายดิเรชันกรรมบางอย่างทำให้สวยสภาพของเทวดาเนี่ย นี่ความต่างของมันเอา้ามันมีผลไม่ล่ะกรรมอะการให้ผลของกรร ม, มให้ยังไงปัจจุบันชาตินี้ชัดนโอ้โห <laughs> ต้องหาของรางวัลติดติดช่ไหมมาดไปเยอะการให้ผลของกรร ม, มคือสามอย่างกรรมบางอย่างทิฏเท้ ทำเบให้ผลในขณะที่ตนทำในเวลาที่เป็นปัจจุบันที่ตนทำํกำกรรมบางอย่างอุ ป, ปัติอุป ป, ปัชเชคือให้ในในชาติที่ตนเกิดในภพที่ตนเกิดในชาตินี้แหละกรรมบางอย่างอปาเรก็คือให้ผลในชาติต่อๆไปทำไมมาตอบ ในปัจจุบันในชาตินี้ในชาติหน้าเหร อ, อเก่งตรงเป๊ะเลยนะนะ่ะนี่ความที่เกไปหลายสํานักได้ประโยชน์ของเกเนี่ย <laughs> นี่เรียกว่าผลของกรรมส่วนความดับของกรรมคือภัสสะทางให้ถึงความดับของกรรมก็คืออาริยรมัคมีองค์แปดรู้อย่างเงี้ยรู้จบอย่างเงี้ย พอรู้อย่างนี้ปั๊บจิตเราเป็นไงเรื่องกรรมแล้วถ้าเรารู้อย่างนี้จิตเราจะไม่ไฟเฝ่เรื่องกรรมอันนี้เดี๋ยวนี้มันไปตรงไหนก็กรรมไปหมดเข้าไปถึงขอภัยบางวัดก็ไม่รู้ตรงไหนที่มันจะเป็นกรรมดีของเราใช่ไหมไอ้ที่หยอดกลองไปอ่านดูกลองที่จะให้เราหยอดดูที่ว่าตรงไหนที่เป็นกรรมดีจริงๆเราก็เสวงหามั่วไปหมดด้วยความเป็นผู้เป็นโมหะนะ นี่เรื่องของก ร, รมเรื่องกรรมอ่ะรู้จักกรรมไหมรู้เรื่องกรรมรู้ยังไงเออเห็นไหมรู้เรื่องกรรมรู้ยังไ ง, นนงฮะเออ น, นี่ก็ใกล้เคียงนะ อ, อืถามบางชื่อแตย ว, ว่ามันไปตอบไป <Grey> นั่นสามเส้นเหมือนกันใกล้ใกล้ พอเราพูดถึงเรื่องของกรมเราก็มองไปในเรื่องที่แบบในแบบที่มองอะ่ะกรมมันจะต้องรู้และต้องเข้าใจเหมือนกรรมเนี่ยไอ้สองกอเนี่ยไอ้กกรรมกอกรกรมเนี่ยกรรมเราต้องรู้ต้องเข้าใจเหมือนกันเลยว่าอะไรคือกรรม การเกิดจากอะไรมีแดนเกิดเป็นอย่างไรมีความต่างกันไหมเหมือนกรรมอะเวลาเรื่องกรรมเรารู้เนี่ยอะไรคือกรรมเหตุเกิดแห่งกรรมความต่างแห่งกรรมผลแห่งกรรมความดับแห่งกรรมข้อปฏิบัติได้ถึงความดับแห่งกรรมต้องรู้หกเรื่องอากามเหมือนกันกามต้องรู้หเรื่องถ้ารู้เรื่องกรรมหกเรื่องรู้เรื่องกรรมหกเรื่องรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งรู้หกเรื่องจริงๆ จะเกิดนิพพททิกะคือเกิดปฏิบัติการที่จะช้ำแรกเจาะแทงทิ่มทะลุฟองของอาสวะเพื่อที่จะให้กิเลสนั้นมันสำรอกออกมาได้เอรู้อย่างเงี้ยอากามเหตุเกิดแห่งกามอะไรนะอะไรนะพวนี้ยความต่างอืมแล้วก็ผล ความดับข้อที่จะทําให้ถึงความดับของการมวิธีปฏิบัติสาหรับความดับของกรรมเนี่ยเรารู้ไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เรารู้าการมพอพูดปั๊บเนี่ยคนแรกที่ตอบเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงใช่ไหมถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้อะไรคือกรรมพระพุทธเจ้าว่ายอย่างนี้ วีวสังคปราโคปุริสสะกาโมความกำหนัดด้วยสามารถแห่งความดำริของบุรุษนั่นคือกามของบุคคลนั่นคือกรรมโลกอันวิจิตทั้งหลายที่มีอยู่ไม่ใช่การม รูปเสียงกินรสที่ว่าเมื่อกี้ไม่ใช่กามเห็นไมความกำนัดความกำนัดความยินดีด้วยกำลังของบุคคลความดำรินะความกหนัดด้วยความดาริของบุคคลที่มีอยู่นั่นแหละคือกามความวิจิตการของโลกทั้งหลายที like yan> yan ่คนไปกหนัดกล่าวถึงนั้นไม่ใช่กามเพราะอะไรเพราะในขณะที่ การนั้นมันปรุงแต่งจิตของบุคคลไปถูนรกไปตัวตัวนั้นไอเครื่องวิจิตการตาของโลกมันยังคงอยู่เหมือนเดิมเข้าใจปะ <c oughs> มันยังคงอยู่เหมือนเดิมเออมันยังตั้งอยู่อย่างนั้นอะ่ะดังนั้นพระพิจารณาให้เรามีท่าทีต่อการนี้ให้มันถูกนะคือความดําริอันเป็นความกําหนัดในใจของตน นั่นแ่ะตัวนั้นอะตัวกางทีนี้มันมีความต่างไงที่เราจะต้องรู้ความต่างก็คือว่าความดำริอันเป็นความกำหนัดความใคร่ในใจเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากตาไปเห็นรูปใช่เกิดขึ้นจากหูเพราะนั้นัน้นกามที่ไปเกิด การที่ถูกดึงไปทางหูก็อย่างหนึ่งกามที่ถูกดึงไปทางตาก็อย่างหนึ่งกามที่ถูกดึงไปทางปากก็อย่างหนึ่งกามที่ถูกดึงไปทางกายก็อย่างหนึ่งการที่กามที่ถูกดึงทางใจก็ไปอย่างหนึ่งเข้าใจบ่ละเออนั่นคือความต่างของมันเอาดับกามดับที่ไหนนะจ๊ะฮะอโอ้ดับดับยากวะใช่ไหเต้ ความดำรินี้ดับยากเพราะอะไรเพราะความดํำริอยู่ๆแล้วมันผุดขึ้นและความดํำรินี้ไม่ได้ผุดขึ้นลอยๆความดํำรินี้มันผุดขึ้นมาตามกําลังของอาสวะอาสวะมันเยอะมันจึงดํำริแล้วผุดขึ้นมาเพราะตอนที่มันเกิดดํำริผุดขึ้นมาเนี่ยมีกําลังเกินกว่าที่จะละได้อา้าวให้ดาวนะเจริญสติฮะเฮ้ อย่าพูดอย่างนี้สิเหมือนกันเป๊ะเลยนะสองกอเนี่ยมาจากภัรษากามเกิดที่ไหนไอ้กามเกิดที่ไหนเกิดที่พัรษาเหมือนกันดับดับที่ไหนดับที่ผัรษาเหมือนกันข้อปฏิบัติได้ถึงความดับของการมนี้ก็คือ มักแปดเหมือนกันเหมือนกันเดิเพราะฉะนั้นเจริญสติจึงได้ครบได้ครบเลยอืมนั้นการรู้ในเรื่องของศาสนาเราเนี่ยเราจึงต้องรู้สามชั้น รู้ในส่วนเหตุรู้ในส่วนปฏิบัติการและรู้ในส่วนผลไม่ใช่เรารู้ในส่วนเหตุคือจําท่องจําควางังอ่านอย่างเดียวดิวิกเกรอรู้อย่างเดียวไม่เคยสัมผัสกับความรู้ในส่วนของปฏิบัติการยกตัวอย่างเนี้ยไอความรู้ในส่วนปฏิบัติการนะซึ่งมันจะไม่ได้จากการอ่านนี่ถ้าพวกเราฟังอตมาพูดเข้าใจเสร็จแล้ว มันก็จะหายไปเพราะมันเป็นความรู้ในส่วนปฏิบัติการเราจะเอาไปใช้ไม่ได้เมื่อตะ ก, กี้ตอนที่เรารู้ลมหายใจนี่ความรู้ในส่วนปฏิบัตินะขณะที่เรารู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าแล้วมันเกิดได้ยินเสียงเมื่อกี้ได้ยินเสียงใช่ไหมพอได้ยินเสียงจิตมันไปได้ยินเสียงไปรู้เสียงนั้น การไปรู้ในเสียงนั้นเรียกว่าอะไรรู้ไหมในขณะที่จิตอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้แล้วอยู่จิตไปรู้ในอีกสิ่งหนึ่งที่ปรากฏซ้อนขึ้นมาในขณะนั้นและจิตกลับมารู้อยู่ที่ลมอย่างเดิมจิตที่หลุดออกไปรู้ตัวนั้นเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมไม่มีไม่เกิดขึ้นในการที่จะรู้ส่วนเหตุเข้าใจป่าไม่เกิดขึ้นจากการที่เราไปอ่านหนังสือไม่เกิดขึ้นจากการที่เราไปท่องจาไม่เกิดขึ้นจากการที่เราไปคุยโม oh ่อวดกัน ได้เกิดขึ้นจากการที่เราจะต้องนั่งปฏิบัติอย่างเงี้ยจิตอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นกายก็คือลมหายใจในระหว่างที่จิตรู้อยู่ที่ลมหายใจนั้นจิตหลุดออกไปกระทบกับสภาวะที่เกิดและกลับมารู้อยู่ที่ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งจิตที่หลุดไปนั้นเขาเรียกว่าเห็นความรู้ในชั้นของการปฏิบัติคือความรู้ในชั้นของการเห็นไม่สามารถเกิดได้ จากพวกที่อ่านจบรเรียนาก้าประโยคอ่านบาลีอ่านออกทุกชาติทุกภาษาแล้วไม่สามารถเกิดได้อันนี้เรียกว่าเห็นเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วจะไงต่อไปให้เห็นตามความเป็นจริงความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเห็นเนี่ยเกิดขึ้นจากขั้นปฏิบัติเนี่ยพอมันเห็นเสร็จเห็นต่อไปเรื่อยเห็นต่อไปเรื่อยต่อไ ป, ออไปความรู้ในชั้นนี้จะสุดอยู่ตรงที่ เห็นตามความเป็นจริงเห็นอย่างไรตามความเป็นจริงต่อไปมันเกิดก็รู้ว่าอ๋อมันเกิดพอมันดับก็รู้ว่ามันดับจิตจึงเห็นในชั้นนี้เห็นว่ามันเพียนเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นการเกิดการดับของสภาวะที่เกิดเรียกว่ายะถาภูตังประชานาติเห็นตามความเป็นจริงจึงเกิดขึ้น เมื่อเห็นตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ในชั้นของปฏิบัติการนะผลของมันเกิดมาเป็นอะไรพอรู้เห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าญาณนะญาณะอะไรญาณทัศน ะ, ะเราไปอ่านแทพเป็นเทพตายนี่ทุกคนพูดได้หมดเลยญาณทัศน ะ, ะแต่มันมาจากไหนมาจากหนังสือเลน้นะ มันเคยมาเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ไหมให้ความรู้ในเรื่องนี้มันอยู่ในชั้นของจิตเราเนี่ยี่มันต้องเริ่มต้นอย่างนี้ hmm. เพราะฉะนั้นรู้ในภาสนาเราก็ต้องรู้ทั้งสามชั้นนะรู้ในส่วนเหตุรู้ในปฏิบัติการและรู้ในส่วนผลพอยาณาทัศนะแล้วต่อไปมันก็จะเป็นอะไรมันเป็นของมันเองแล้วทีนี้ hmm. เอา เรียบร้อยแล้วกลับมาจากพักแล้วนี่นี่พูดกันในระหว่างพักเบรกนะ